ขอนอบน้อ ม, มพระรัตนตรยัยขอกราบพระอาจารย์หลวงปู่กลมพระอาจารย์รงศิลพระอาจารย์รัตนชัยแล้วก็ขอโอกาสมู่สงเจริญพรแมช่ชีแล้วก็ญาติโยม <c oughs> ผู้มาปฏิบัติธรรมทั้งหลาย นานๆได้มาพูดสักครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้อยู่ปาสุกัตโตนเป็นปีมั้งกลับมาคนนี้ก็เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างโดยเฉพาะ uh, ถนนที่เป็นคอนกรีตแต่เดิมไม่ได้มีเนาะแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ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 นะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะไม่มีอะไรอยู่คงที่สักอย่างเพราะฉะนั้นมันจะตรงกับคําที่พระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงแสดงไว้ว่าสเพสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะนะแล้วก็สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วก็สเพธมาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานะทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้แหละ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 การที่จะภาวนาในขั้นสูงต่อไปนะอาตมาขอเล่าประสบการณ์นิดหนึ่งที่มันเป็นความโง่ชนิดหนึ่งอ่ะที่ที่อาตมาไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองมันโง่อยู่หรือว่ามันหลงอยู่อันนี้เผื่อเผื่อโยมได้ฟังแล้วอาจจะเทียบเคียงกับตัวเองอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้เนาะก็เมื่อช่วงเก็บปฏิบัติเข้มเมื่ อ, อสองปีที่แล้วอ ะ, ะสองปีที่แล้ว ช่วงนั้นมันก็อยู่ท้ายๆของการปฏิบัติเข้มคือเหลือไม่กี่วันแล้วจะครบ40สิวันอ่ก็เดินจงกรมอยู่อยู่อ่าอยู่ที่อ่บริเวณกุฏนั่นแหละคือเดินตั้งแต่ก่อนมันมืดอ่ะเนาะเดินสมมติวโมงเย็นเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมืดค่ำมืดค่ำค่ำก็มืดเลยมืดค่อนข้างจะ มองด้วยตาไม่ค่อยเห็นล้วทีนี้ช่วงแรกที่เดินก็เดินปกติอย่างที่พวกเราปฏิบัติแหละก็คือเดินไปเดินมาเดินไปเดินมารู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกรู้ไปเรื่อยระหว่างเดินเนี่ยสิ่งที่อาตมาพบก็คือว่าส่วนมากมันเป็นความคิดความคิดนี่เยอะมากเลยคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เยอะแยะแต่ว่ามันก็ไม่ทิ้งของการรู้กายนะเพราะว่ากายเนี่ยมันเป็นฐานหลักที่เรา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 ทางร่างกายมันก็อย่างหนึ่งเช่นอาจจะรู้สึกอุ่นๆขึ้นอุ่นพอมันตกมืดคำ่ำอ้าวมันรู้สึกเย็นๆสัมผัสรู้ได้แล้วว่ามีความเย็น อ, อันนี้ในกายมันก็มีเพราะฉะนั้นในกายเนี่ยมันก็จะมีอาการหลายๆอย่างใช่ไหมมีความเจ็บความปวดความเมื่อยความร้อนความเย็นความเย็นความหนาวอ่าแล้วก็ในใจเนี่ยอารมณ์นึกคิดก็เยอะ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 อารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนะจิตนะก็สามารถรับรู้อารมณ์ต่างๆได้อย่างบริบูรณ์ก็เลยเข้าใจเรื่องกลิ่นเรื่องสัมผัสทางลิ้นจริงๆก็คงมีลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะมืดหรือสว่างนะเขากา็จิตก็สามารถรับรู้ได้เหมือนกันมันก็เลยเกิดปัญญาขึ้นว่าโอ้จิตนี้มันแจ้งจริงๆนะมันแจ้งจริงๆ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 แต่จิตใจที่เป็นมโนเนี่ยมันก็ยังรับรู้อารมณ์ทางใจได้อยู่นะเพราะฉะนั้นจิตใจทางมโนเนี่ยมันรู้แจ้งรู้แจ้งแทงตลอดจริงๆว่าอะไรเกิดขึ้นทางใจเนี่ยไม่สามารถอะไรที่ติดกั้นมันได้นะก็เลยเข้าใจอย่างนี้ก็เลยว่าโอ้เมื่อก่อนเราเดินจงกรมเน้ะมัวแต่ดูแต่เท้าดูเท้าเคลื่อนไหวใจรู้เท้าเคลื่อนไหวใจรู้แต่นี้มันเกิดความรู้สึกระลึก ร, รู้อย่างกว้างขวางขึ้นมาก็คือว่า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 คือมันหนักทางใจแต่ก็มองไม่เห็นเพราะมัวแต่เพ่งมืออยู่แต่ถ้าเราถอนจากการเพ่งเนี่ยยกให้สบายสบายเบาบ au, บ au, เบานี่นะทำให้เรารู้สึกตัวทั่วพร้อมมากกว่าแล้วเราก็จะมีสติที่มันคล่องแคล่วรวดเร็วว่องไวนะรู้ทันทางหูตาจมูกลิ้นกายใจนะอย่างการเดินก็เหมือนกันอย่างสังเกตถ้าเราเดินช้าๆเกินไปอะนะมันจะจมอยู่ในอารมณ์สมถะนะไม่คล่องแคล่วว่องไวทางหูทางตา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 เหมือนกันก็มาเล่าสู่กันฟังก็คือว่าคนปฏิบัติส่วนใหญ่นะอันนี้เอามาเล่ากันฟังอย่างก่อนหน้านี้ก็ไปปริวาสที่ภาคในจังหวัดสระบุรีจริงๆปีนี้ไปสามไปมาสามที่นะที่ผ่านมาบางทีเราก็สังเกตคนอื่นเขาบ้างว่า เ, ออเวลาการเข้าปริวาส เ, ออเวลามีการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาปฏิบัติกันยังไง นะเท่าที่สังเกตส่วนใหญ่ก็คือปิดตาแล้วก็นั่งหลับปิดตาจริงๆพอบอกอา้าวเข้าที่ปฏิบัติธรรมก็จะเริ่มแล้วปิดตาแล้วพอปิดตาเสร็จแต่ถ้านั่งดีนะนั่งคัดสมาดอย่างดีนั่งปิดตาแต่พอแป๊บเดียวแค่นั้นแหละเริ่มน้อมเอียงโน้มคอตกแล้วคอพับไปแล้วนะ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 ทีนี้ปัญหาที่เห็นตามสำนักที่ไปปริวาทเนี่ยทำไมคนจึงหลับเพราะว่านิ่งเกินไปติดรูปแบบพอ่งและปิดตานิ่งเนี่ยการขยับขยื่นเนี่ยทำให้จิตตื่นเนี่ยมันไม่มีเมื่อไม่ไม่ปลุกให้จิตตื่นมันก็ทำให้จิตหลับนะแต่ทีนี้อย่างอุบายของเราที่ทางหลวงพระเทียนท่าน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 จงจะเรียกว่าบรรดาลหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าทำให้เป็นที่พึ่งของพวกเราทุกคนแล้วก็เมื่อเราเข้าใจในพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอาศัยแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาไปจนทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงและก็ละความเห็นผิดไปได้ แล้วก็ขอให้เรามีความเข้าใจเกิดปัญญาเข้าใจธรรมะอย่างแจ่มแจ้งโดยโดยโดยเร็วนะแล้วก็อ๋อกลุงแค่นี้เพราะว่าพูดไม่ถูกและตอนท้ายนะอ๋อก็ให้เจริญให้ดวงตาใ้โยมญาติโยมมีดวงตาเห็นธรรมในปัจจุบันชาตินี้ทุกคนเธอ